ทีมไหนมา ก, ก่อนอใครมาก่อนแล้วนะคุณสุนัง น, นะ <c oughs> นอกสกองกันบ้านไหม <c oughs> <c oughs> โอ้คุณกบดีนะดีละน่ะ <c oughs> เรารู้สึกยังไงคือเราไม่ได้ทำอะไรอะ่นะจิตเป็นหน้าที่ของจิตเขาจะค่อยค่อยเรียนรู้ไป หน้าที่ของเราก็คือตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาพอ ร, ร่างกายเคลื่อนไหวสติมันก็ระลึกเองจิตใจเคลื่อนไหวนะสติก็ระลึกเองตอนนี้มันระลึกเองอยู่สัาบไหมมันระลึกได้ด้เรื่อยๆไม่ต้องกล้าไปไหน ไ, ไม่เพราะว่าการปฏิบัติถึงจุดที่ว่าเราทําเป็นแล้วเนี่ยต้องทําต่อเนื่องทํำเนือง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 คีมนี้มากก่อ น, นะอ่ะว่าไงพี่่านมาก็รู้สึกับตับไม่ได้นะตอนนี้รู้สึกตัวเต็มที่ไหมตอนนี้ก็เริ่มจะเข้าเพลงแออ่ะนะผิดธรรมดาคุณจะหล้มพงเป็นไงคุณจะหลอมพงแล้วก็อย่าทิ้งสมถะ ทำสมถาถิบ้างทำสมถาถิได้พักก่อนจิตใจมีกำลังแล้วตามรู้ตามดูเอาที่ตุ่มเป็นไงสติเกิดเองหรื อ, อยังสติเกิดเองไหมเกิดเองได้บ่อยไหมสติที่เกิดเองกับสติที่จงใจให้เกิดต่างกันแยกให้ชัดไหมตอนนีนะ้อันหนึ่งมันไม่ใช่สติหรอกอันหนึ่งมันโลภะ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 ปรุงแต่งอนเนินชาพิสังขารตรุงความว่างๆความไม่มีอะไรแล้วเข้าไปอยู่กับความไม่มีอะไรความว่างๆคิดว่าอยู่ตรงนี้ดีไม่มีอะไรมากระทบเมื่อไม่มีสิ่งมากระทบใจก็ไม่กระเทือนความปรุงแต่งสแบบความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลก็เป็นข้างหลงตามกิเลสมาครั้งท่านก็เรียกว่ า, าการสุขัาริการุโยกความปรุงแต่งฝ่ายกุศล จะเป็นเรื person, <the> ่องการบังคับกายบังคับใจตัวเองให้ดีการบังคับกายบังคับใจตัวเองเนี่ยบางทีถ้าเรียกว่าอัตตะกิรมัธานนโยฝึุตรงสองข้างนะถ้าหลงฝาความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลจะไปอาบายหลงความปรุงแต่งฝ่ายกุศลเนี่ยจะไปสุคติหลงความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลเนี่ยถ้าหมักจะจมลงหลงความปรุงแต่งฝ่ายกุศลจะลอยขึ้น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 ขอให้ช่วยขยายความหนะ่อยพระพุทธเจ้าก็ขยายให้หน่อยหนึ่งถ้าเมื่อไร่เราพักอยู่เราจะจมลงเมื่อไร่เราเพียรเราจะลอยขึ้นเทวดาได้พโสดาบันเรายังไม่ได้นะฟังเหมือนเทวดาและ้นะยังไม่ได้นะก็ฟังคําขยายต่อไปอธกะถาเนี่ยท่านขยายความให้คําว่าพักอยู่เนี่ยก็คือการหลงความปรุงแต่งใส่อกุศลหรือกามสุขาริการุโยกเนี่ย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 หลงความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลไปเผลอไปมีการสุขคัิการนุโยกไปเราจะรู้กายรู้ใจไม่ได้เช่นในขณะที่เราเผลอไปดูเผลอไปฟงังเผลอไปคิดเนี่ยเราจะลืมกายลืมใจนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหรเ่เผลอไปก็คือไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยถ้าเมื่อไหร่บังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจพยายามทําความดีหลงความปรุงแต่งฝ่ายกุศล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 บังคับไม่ได้รักษาไม่ได้เราก็ไปเห็นว่าบังคับได้รักษาได้เพราะฉะนั้นมันสวนทางกับการทําลายส ก, กิยทิฐนะิไม่ว่าเราจะพยายามพักเพียรบังคับไปเท่าไหรน่นนะเรายิ่งเดินห่างออกไปเรื่อยๆเดินห่างจากความรู้แจ้งออกไปเรื่อยๆจะถามว่าระหว่างการบังคับไหมกับการปล่อยตัวปล่อยใจอะไรดีกว่ากันบังคับไว้ดีกว่าถ้าปล่อยตัวปล่อยใจไปอบาย บังคับไว้ไปสุคติแต่ไม่นิพพานคนละอ่านกันนะพุฏินัานายเข้าใจตรงนี้ให้ดีนะหลักของการปฏิบัติรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงงั้นอย่างถ้าเรารู้กายเนี่ยรู้กายตามความเป็นจริงก็คือไม่เผลอไปไม่ใจลอยไปลืมกายไม่เพ่งกายบางคนรู้กายแต่ไปเพ่งกายแทนเช่นกําหนดลมหายใจ หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้านะ้จิตไหลไปอยู่กับลมไปเพ่งลมลืมเนื้อลืมตัวนะอย่นั้นใช้ไม่ได้ดูท้องที่พองที่ยุคไปเพ่งท้องเดินจงกรมไปเพ่งเท้าขยับมือขยับมือสายลงพเจรี ย, ยับมือพวกหนึ่งก็ไปเพ่งมือเพ่งมือก็คือบังคับไว้นั่นเองอีกพวกหนึ่งหายใจไปก็ใจลอยไป คล้มเคลิมขาดสติลืมเนื้อลืมตัวดูท้องก็คลุ้มเคลิมไปะเดินจงกรมหัวใจลอยหนีไปนะขออยับมือก็หนีไปคิดที่อื่นใจลอยไปพวกนี้ก็หลงความปรุงแต่งฝ่ายอกุศลอีกในกรรมฐานอะไรก็ได้นะเหมือนกันหมดเลยนะไม่มีข้อจํากัดอะไรหรอกอยู่ที่ว่าจริตนิสัยของเราเหมาะกับอารมณ์ตัวไหนเราก็ใช้อนั้นต์บางคนเหมาะที่จะรู้กายก็รู้กา ย, ร, กายรู้กายก็ไม่ใช่เผลอไปที่อื่น ไม่ใช่เผลอคิดเรื่องกายไม่ใช่เพ่งกายบางคนรูああ้จิตรู้จิตก็ไม่ใช่เผลอไปที่อื่นไม่ได้คิดเรื่องจิตเราก็ไม่ได้เพ่งจิตมันเป็นการรู้อย่างที่มันเป็นการรู้ตามความเป็นจริงนั่นคือหัวใจของวิปัสสนารู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเมื่อรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นความจริงของกายของใจเขาไม่เที่ยงนะเขาเป็นทุกข์นะเขาบังคับไม่ได้นะ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 ค่อยทำความเข้าใจตรงนี้นะคุณเด น, นจะได้เดินได้ไม่งั้นคุณเด น, นจะติดอยู่แค่ความเป็นคนดีเดี๋ยวชาติหน้าคุณด น, นก็ยิ่งรวยกว่านี้อีกยิ่งหลอกกว่านี้อีกนะยิ่งดีกว่านี้อีกนะรักพวกเพื่อนฝูงเยอะคนรักมากเนะอาจจะได้เป็นนายกนะมีบุญมากนะโอกาสทําชั่วก็เยอะนะไม่พอนะเดนัยฟังที่อาตมาบอกให้ดีในะค้ควรให้ดีนะะ อยากให้เข้าใจถ้าเข้าใจง่ายมันรัดนิ้วมือเดียวสั้นนิดเดียวไม่เข้าใจจะอ้อมไปด้วยเราจะบังคับไปตลอดชีวิตอนะ่ะพอตายไปเราจะได้ความเห็นผิดติดตัวไปรู้สึกบังคับได้บังคับได้คืออัตตาโยเป็นไงโยบังคับไหมไหมถ้าไม่เผลอไปก็บังคับไปคุณใดรู้สึกไหมตอนดูเขาปุ๊บเราลืมตัวเราเองแล้แต่พอเรานึกถึงตัวเราเองเราประคอง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 ตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นทางผ่านเท่านั้นเองเป็นทางผ่านป้อนข้อมูลเข้าสู่ใจเพราะฉะนั้นทางตาทางหูจมูกลิ้นเนี่ยเฉยๆมีแต่อุเบกขาทางกายก็ยังมีสุขมีทุกข์แต่ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นวิบากหมดเลยไม่มีกุศลอกุศลอะไรกุศลอกุศลมาเกิดที่ใจเพฉั้นตาเห็นรูปมันเห็นไปด้วยวิบาก หมายถึงมีบุญให้ผลมาก็เห็นของสวยมีบาปให้ผลมาก็เห็นของไม่สวยบุญให้ผลมาก็มีตาที่คมชัดตาที่ดีบาปให้ผลมาก็มีตาที่ไม่ดีไม่ชัดตาบอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นตาก็ดีรูปก็ดีเนี่ยเป็นผลของวิบากไม่ต้องไปยุ่งกับเขาตรงนี้เป็นของเก่าเมื่อเกิดการกระทบแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณมาที่ใจเรา ใจเราถึงจะปรุงกุศลอกุศลปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรขึ้นมาให้เรารู้ทันที่ใจนี่มันคล้ายๆมีทางทางแยกหลายสายเนะรวมลงมาสู่จตุรัสอันเดียวกันเราอยู่ตรงจตุรัสเนี่ยอะไรมาเนี่ยนะเรารู้ทันรู้อยู่ที่ใจเรารู้อยู่ที่นี่นใจหนีไปคิดทัาบไหมคุณณัยแค่รู้รู้อย่างที่เขาเป็นนะ บางคนชอบไปคิดเอาเองนะคุณเดนในมีหลายคนชอบไปคิดเอาเองอย่างคิดว่าทุกคนต้องทําสมถะก่อนจิตต้องดีต้องนิ่งก่อนถึงจะดูได้ถ้ารู้กายแล้วก็ต้องทําสมถะก่อนแต่รู้จิตเนะี่ยอย่าไปทําสมถะก่อนนะการรู้กายนะเหมาะกับสมถญาณิกทําไมต้องทําสมถะ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 อพี่ทำเลยนีย่จับหลักถึงไม่เรียนอะพี่ทำก็ไม่เป็นไรนะจะหลักให้แม่นหน่อยให้แม่นแม่นจะมาใส่ใจคุณวินามากหน่อยเพราะว่าเป็นนักเกยื่อนแพร <c oughs> แ่หลักของเราแม่นเราเกยแพร่สิ่งที่ถูกได้บุญเยอะนะสอนสิ่งที่คลาดเคลื่อนไปอันตรายนิดนึงหลวงพ่อชาท่านเคยไปเจอพระเมรองหนึงบอกพระวินยัยท่านผิดเนอะ บอกพระวินัยให้หลวงพ่อชาหลวงพ่อชาเพิ่งบดใหม่บอกเสร็จแล้วพระเขมรผู้เท่านะอายุมากเลยอยู่เชิงเขาหลวงพ่อชาขึ้นภูเขาไปอยู่บนภูเขาตอนดึกๆนยะพระผู้เท่าเนี่ยปีนภูเขาขึ้นไปไปบอกหลวงพ่อชาว่าผมบอกท่านผิดไปล่ะหลวงพ่อชาบอกว่าทาไมไม่รอตอนเช้าเดี๋ยวผมก็ลงไปบอกถ้าเกิดเช้านี้ผมตายไปก่อนผมบอกท่านผิดนะ ท่านจำผิดจะสอนผิดจะผมบาปด้วยเราระวัวงนะนเป็นในไหนทำประโยชน์เยอะนะแต่โทษโทษก็เยอะนะนั้นเรียนให้แม่นๆม่นนะลองอ่านปฏิบสองธรรมให้รู้เรื่องนะไม่ค่อยพลาดล่นะขั้นแรกเลยอย่างสุดคนจะมาเรียนกับเรานะคนในไหนต้องให้เขาวิเคราะห์ตัวเองก่อนนะเขามีทิฏฐิอะไร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 ลมหายใจออกมันร้อนรู้สึกรู้ด้วยการสัมผัสรู้ยากนะรู้ยากคุณได้ในบ้างๆลองไปดูนะอ่านตะทีบนะเข้าใจตรงนี้นะจะปลอดภัยนิดหนึง่งแต่ที่เขียนคดีแล้วนะมาคุณจิตสับปอนเข้ามาให้อ่านเหมือนกันเขียนในผู้จัดการ เ, เขียนก็ดีนะต่อไปเราจะได้เป็นกาลัง ของศาสนาคนหนึ่งถ้าเราแม่นแม่นนะเราจะรักษาศาสนาได้เยอะ